ว َاَبِهِ ن َ س ْ ت َ ع ِ ي ن น و َ لا عدوان إلّا لظالمين ل وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ لَكَالْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَالْحَمْدُإِذَا ر َ ض ِ ي ت وَلَكَالْحَمْدُبَدَرَرِضَى وَأَشْهَدُوَاللَّهِ إِلَّا ه َ إ ٰ ذ َ ا ل ل َّ ه ُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له. لَهُ إِلَّا هَـٰلَأَوَالِينَا وَالْأَخِيرِينَ وَأَشْه القريب برعزب لمشيطان رتيم، فلقد حمل عقبا وما أ د ر ا كمل ع ق ب ة فكر قبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة ي ت ي م ا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا و ت و ا ص ا بالصبر و ت و ا ص ا بالمرحمة. พี่น้องที่รักยิ่งครับพอะลอสซุบฮานุวาตาลาได้ทรงตรัสไว้ในคำภีร์ของพระองค์ในสุรตุลบาลัดหลังจากที่ว่าพระลอสซุบฮานุวาตาลาได้พูดถึงประเภทของมนุษย์ซึ่งกลุ่มของมนุษย์นั้นก็มีกลุ่มที่ว่าพระลอให้เขามากมายแต่เขาก็เนรคุณแล้วก็หลงระเริงแล้วก็โอ้อวดกับสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งของเขา อย่างแท้จริงแล้วในขณะเดีวยวกันครับก็มีบาวที่เลือกทางเดินชีวิตที่ยากลำบากนั่นก็คือทางเดินที่ว่าจะทำให้พวลร้อนนั้นรักเขาชีวิตคือความยากลำบากครับเราได้พูดคุยกันมานะครับจนถึงอายะที่17นะครับซุนมะแกเนะมินละลัดีนะอามานุวะตะวะซอบิซอบริวตะวะซอบิลมะห์มะเราได้บอกไว้แล้วว่าคนที่เป็นคนดีสำหรับผู้ร้อสุบฮานุอัตอาลั คนที่เขาเลือกทางเดินที่ยากลำบากไม่ใช่เป็นการให้อาหารแก่ผู้คนในวันแรงแค้นไม่ใช่เป็นการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือคนที่ขัดสน ทั้งหลายของคนที่ทําความดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นจะเป็นบุคคลที่พวกเราลรักได้ก็ต่อเมื่อเขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ศรัทธาแต่พวกเขานั้นต้องมีการสั่งเสียกันและกันคือมีความผูกพันกันและมีการสั่งเสียกันและกันให้มีความอดทนซึ่งเราได้คุยไปแล้วในเรื่องว่าสั่งเสียในเรื่องความอดทนนั้นอย่างไรบ้างซึ่งน่าจะพอเพียงและคงไม่จําเป็นต้องทบทวนหรือว่าพูดขยายความตรงจุดนี้ ในขณะเดียวกันครับพวกเราบอกครับหลังจากที่ว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ศรัทธานะต้องมีการเตือนกันให้มีความอดทนนะเขาก็ต้องมีการเตือนกันให้มีความเมตตาในระหว่างกัน what the b o so u shobil marhamah ครับวันนี้ครับพวกเราจะมาพูดกันแค่ตรง ม, รมาร์ฮามันนี่แหละเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆครับผมอยากชวนพี่น้องคิดกันในอัลกุรอานนี้ พวกล้อบอกว่าเขาต้องเป็นผู้ศรัทธานะอาล้อถึงจะรับการงานที่ดีของเขาเขาต้องเตือนกันให้มีความอดทนนะแล้วเขาต้องเตือนกันให้มีความเมตตาซุบานอัลลอฮ์ครับทำไมต้องเตือนกันในเรื่องความอดทนเราก็ได้บอกไปแล้วเพราะว่าการอดทนนั้นมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นมากกว่าการขอบคุณในขณะเดียวกันครับทําไมต้องเตือนให้มีความเมตตาระหว่างกันและกันประเด็นนี้สําคัญมากๆแล้วผมอยากจะชวนพี่น้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ ความเมตตาคืออะไรมุสลิมเราจำเป็นต้องเมตตาแค่ไหนอิสลามเป็นศาสนาที่เน้นในเรื่องของความเมตตาแค่ไหนอยากให้พี่น้องลองคิดก่อนก่อนที่ว่าเดี๋ยวผมจะชวนคุยก่อนที่ผมจะขยายความความเมตตาเมื่อเราคิดถึงอิสลามมีความเข้มแข็ง อ, อิสลามมีความแข็งกร้าในบางกรณีแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นอิสลามนั้นมีความอ่อนโยน แล้วก็มีความเมตตาซึ่งความเมตตาความหมดโยนั้นอยู่นำกว่าความแข็งก้าวความเมตตาเลยอะไรคือความเมตตาเราต้องเมตตาใครบ้างแล้วสังคมเรามีการเมตตากันแค่ไหนพี่น้องครับศาสนาอิสลามนั้นหัวใจหลักสาคัญอย่างหนึ่งคือความเมตตา พี่น้องดูคําสอนอิสลามครับเต็มไปด้วยความเมตตาพี่น้องเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนละ่ะเริ่มจากพู้รับสุบฮะนะฮุตะล่นายของเราอัสสลามอัลรอฮ์แมนอัลรอฮิมเวลาที่เราพูดถึงพู้อับเวลาที่เราจะเริ่มทําอะไรก็ตามเราจะเริ่มด้วยกัคำว่าอะไรครับด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้เมตตาทั้งดุลยาและก็ผู้ที่เมตตาทั้งโลกหน้า ในดวงยาเมตตาแบบไม่เลือกเลยคู่ควรไม่คู่ควรอัลลอฮเมตตาหมดในอาคิรอเพราะเราเมตตากับผู้ที่คู่ควรเห็นไหมพี่น้องเมื่อเราพูดถึงผู้อัลลอฮ์ในชีวิตประจาวันของเราทุกครั้งก่อนจะทาอะไรเราจะคิดถึงพอัลลอ์ในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นผู้เมตตาในของเราเป็นผู้ที่เมตตาและศาสดา ข, ของเราแหละศาสาของเราท่านนา บ, า Allah, าบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮะียสลัมผู้อัลล์กล่าวว่าครับมุฮัมมัดุลรูลลล มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของผู้ลอสุบฮานวตาลแหละแตลว่าผู้ลบอกให้รู้ว่าจุดยืนของนบีนะเป็นตัวแทนของผู้ลอตัวแทนของผู้ลอเป็นยังไงครับแล้วก็จะอาคุมรอซูรุนมินอังฟุซิกุมอาซีซุนอาหิมะนิตุมฮาริซุนอาลลยกุมบิลมุมมินีนะรออูฟุนรอฮีม m m มัวผู้ลอพูดถึงคุณลักษณะของท่านนบีผู้ลบอกท่านนบีเนี่ยที่เป็นตัวแทนของผล้ลอเนี่ย เขาจะเป็นบุคคลที่เป็นคนแรกเลยที่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนพวกเราทุกคนท่านอบียร์มัสยาซัมเป็นเดือดเป็นร้อนแทนพวกเราทุกคนฮาริสุนัยเลยกุม่มอะไรดีๆที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ท่านอบีอยากให้เราได้มากๆเลยบิลมูมีนีนาะร อ, อูฟุนรอฮีมกับผู้สตาเนั้นท่านอบียิ่งเป็นผู้ที่มีความอบอ้อมอารีและเป็นผู้ที่เมต เมื่อพูดถึงท่นานนบีมุลสลิมของเราเลยสัลัมพูดเราพูดถึงเมตตาเป็นการอธิบายตัวตนของท่นานนบีหลังจากที่การอธิบายตัวตนของพวกเราเราพูดไปแล้วคือความเมตตาเช่นเดียวกันนายของเราเมตตาศา ส, สนาุของเราเป็นผู้ที่เมตตาคนที่เสริ่ที่สุดคือผู้ที่เมตตาแล้วกลุ่มชนของท่นานนบีละ่ะกลุ่มชนบรรดาสาบาที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เรารักมากที่สุด เนีุ่รเหนที่ผมยกมาตอนรน้มุฮัมมัดุรรัสูล ul ุ่ลาฮ์ وال ทีน์มา عهأش ิดะารุ ك ف ا าอ ا บัยน ي ن ه م ตาร ا ه و م ر ก أ ن ص د ق ي ب ل غ و ن ف ت ح ل ا منالله وردوانة เนี่ยคุณเห็นข้อในสุร่อรัลฟัต์มุลบะฮ์เห็นข้มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของพวกเราและบรรดาผู้ที่อยู่กับเขานั้นเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งต่อศัตรู ต่อเวาผู้ไปเศษ ส, สตาที่เป็นศัตรูรู้หามาอูไบนหุมแล้วก็มีความเมตตาให้ระหว่างกันถึงตรงนี้พี่น้องความเมตตาสำคัญแค่ไหนนายของเราถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่เมตตาศาสดาของเราคุณลักษาของขคือผู้ที่เมตตาบรรดาซาบากลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุด พอเลาะกะว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาให้กันและกันย้อนกลับมาดูพวกเราในสังคมยุคปัจจุบันที่เรานั้นมีความแข็งแกล้งใส่กันและกันพี่น้องว่าสอบผ่านหรือสอบตกครับก็ไม่ได้จ่าจงว่าใครเพียงแต่ว่าถือเป็นศรีฮาและกันทั้งกับตัวผมเองด้วยแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูครับความเมตตาเป็นหัวใจหลักของคําสอนของอิสลามเนี่ยนะพี่น้อง เวลามุสลิมเจอกันสิ่งแรกที่เราพูดคืออะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมวลลอา์มุลลาห์บารากาตุนี่คือความเมตตาที่เรามีให้กันความอ่อนโยนที่เรามีให้กับกันพอเราเจอพี่น้องของเราเราขอต่อละว่าอัลลอฮ์ให้เขามีแต่ความปลอดภัยนะอัลลอฮ์เมตตาเขาเถิดนะอัลลอฮ์ให้เขามีความเจริญเถิดนะเราเจอพี่น้องปุ๊บเรามีความรู้สึกดีๆอยากให้เขาได้รับ นี่คืออะไรครับนายคือผู้เมตตาศัสดาคือผู้เมตตาบรรดาซอบะคือผู้เมตตาคําสอนอิสลามเน้นในเรื่องของความเมตตาแล้วถามครับอะไรคือสิ่งที่มุสลิมต้องการจากอัลลอฮ์มากที่สุดอะไรคือสิ่งที่บ่าวต้องการจากอัลลอฮ์มากที่สุดสิ่งที่เราต้องการจากอัลลอฮ์มากที่สุดคือความเมตตาถูกไหมครับเราอยากให้อัลลอฮ์ไพรให้กับเราทำไมอัลลอฮ์ไพรให้เราเอัลลอฮ์เมตตาเราไง เราอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีใน dunya เราหวังอะไรหวังความเมตตาจาก AH. อัลลอฮ์เพราะถ้าสบายแต่อัลลอฮ์โกรธมันไม่ได้สบายจริงถูกไหมครับเราอยากสบายแบบอ ah, ัลลอฮ์เมตตาเราอยากมีชีวิตโดยที่พระร้อเมตตาเราเราอยากเสียชีวิตในสภาพที่อ AH, ัลลอฮ์เมตตาเราเราอยากถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่อ AH, ัลลอฮ์เมตตาเราเราอยากรอดพ้นจากไฟนรกด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเราอยากเข้าสวรรค์ด้วย ขวามเมตตาของ Allah ท่านอับดุลเบี๋ยมอัลมาสซุลอร์อิสลามบอกกับบดาดซาบ่าว่าพวกท่านรู้ไว้เลยนะว่าไม่มีใครสักคนจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการงานของเขาอบอดาบ่าบอกกับยาหรุสูลล์ว่แม้แต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์เลอท่านทําการงานดีๆมากมายขนาดนี้ท่านยังไม่สามารถเข้าสวรรค์ด้วยการงานของท่านเหลอท่านอับดุลเบี๋ยมอัลมาสซุลอร์อิสลามตอบว่าไงครับแม้แต่ฉันก็ไม่ได้หรอกนอกจากว่านายของฉันคืออัลลอฮฺสุบฮานต์อันหัวตาละจะ เมตตาฉันว่ตวเาซาบิสตอปิว่าตัวเซาบิลมารฮมะต้องมีการตักเตือนกันให้มีความเมตตาเวลาเห็นใครเริ่มโกรธเวลาเห็นใครเริ่มเกลียดกันเวลาเห็นใครเริ่มทอะไรไม่ถูกไม่ควรเราให้อภัยเขาเราเมตตาเขาเราพูดกับเขาดีๆเราเตือนเขาเราให้กำลังใจเขาเราไม่ซ้ำเติมเขาเราไม่เหยียบย่าเขา นี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาพี่น้องว่าสังคมจะน่าอยู่ขนาดไหนถ้าเกิดมุสลิมเราเป็นผู้ที่ดำรงตนแบบที่มุสลิมควรจะทำแบบเนี้ยเป็นผู้ที่มีความเมตตาให้กันแต่เมตตาไม่ใช่อ่อนแอนะพี่น้องบางทีเราเข้าใจผิดแล้วเข้าใจว่าคนอ่อนโยนต้องอ่อนแออันนั้นไม่ใช่แลวอันนั้นไม่ใช่มุสลิมมุสลิมต้องเมตตา แล้วก็เข้มแข็งต้องรวมกันให้ได้มันอาจจะดูรวมกันไม่ได้แต่มันต้องรวมกันให้ได้พี่น้องดูครับเมื่อเราต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์คสอนอิสลามสอนว่างไงครับมาลายัรฮัมลายุรฮัมหากคุณอยากได้รับความเมตตาคุณต้องเมตตาผู้อื่นก่อนนี่คือคาสอนของอิสลามครับผมมาลายัดฮัมลายุรฮัม เอธฮามูมันฟิสม์อ๋อเอธฮามูมันฟิลอร์อย่าทำกูมันฟิสมะจเมตาคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินแล้วคนที่อยู่บนฟากฟ้าจะเมตตาคนอยากให้เราเมตตาใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเราอยากให้ร้อเมตตาในทุกช่วงชีวิตของเราเลยจะทํางานจะกินจะท่องเที่ยวจะอะไรก็ตามตลอดช่วงชีวิตของเราอยากให้ร้อเมตตาคนฟานิสลาหบอกว่าไงครับงั้นก็เมตตาคนอื่นแล้วพงษ์ ก็จะเมตตาคุณซนอเ บ, บมอสโลอร์ลอยสบอกอง่าครับไม่ใช่พวกของเรานะผู้ที่ไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสแล้วก็ไม่รักเด็กนี่คือคำสอนที่เน้นในเรื่องของความเมตตาอียักกุรานพุทธกาลนะครับคูริลอาฟอรจงยึดมั่นในเรื่องของการให้อภัยขอไม่อภัยคืออะไรความเมตตาพี่น้องดูในอียักกุรานในสูรตุลบาลัดที่เราคุยกันเนี่ย หนทางที่ยากลําบากเนี่ยให้อาหารในวันที่ขาดสนการช่วยเหลือเด็กกำพร้าการช่วยเหลือคนยากจนทั้งหมดเกิดจากอะไรครับความเมตตาทําไมคนไม่ช่วยกันพอไม่เมตตากันทําไมคนไม่ช่วยเหเด็กกำพร้าพอไม่เมตตาเด็กกำพร้าทำไมไม่ช่วยเหลือคนขัดสนพอไม่เมตตาคนขัดสนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของความดีของมุสลิมที่มุสลิมเราจะทําดีให้กับคนอื่นนอกจากการศรัทธา นั่นก็คือความเมตตาเพราะฉะนั้นความศรัทธากับความเมตตาห่างกันไม่ได้ใครก็จําเป็นผู้ศรัทธาถ้าเขาไม่มีความเมตตาเขาสอบตกสอบตกพี่น้องเพราะท่านอะบีมหัศลกรีซานบอกว่าไงครับพวกท่านจะไม่ศรัทธาจนกว่าพวกท่านจะรักกันความรักก็คือความเมตตาที่มีให้แก่กันและกันเพราะเราอ้างไม่ได้นะพี่น้องอ้าไมา่ได้เวลาต้องโหดต้องแข่งแก้วต้องอะไรพี่น้องไปดูแบบอย่างของนบีให้ดีๆ ตลอชีวิตท่านแข่งก้าวกี่ครั้งแล้วพวกเราอะ่ะกี่ครั้งอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าต้องคิดกันจริงๆนะพี่น้องต้องคิดกันจริงๆความเมตตาที่มอบให้แก่ ก, กันพี่น้องสังเกตดูครับด้วยความเมตตาของพวกลอสซูบะฮานุวาตาอะไรแม้แต่กระทั่งศีลสารสัตว์ที่พวกลสสร้างมาพี่น้องที่ดูสัตว์ป่าดุร้าย เสือสิงแกะทิงแรดถึงเวลา ม, มันมีลูกพวกล้อให้มันมีความเมตตาขนาดสาัตว์พวกล้อก็ให้มันมีความเมตตาแล้วสำหรับผู้ศรัทธาเรายิ่งต้องมีความเมตตาไม่ว่าเป็นใครก็ตามครับไม่ว่าเป็นกับคนใกล้ตัวไม่ว่าเป็นกับคนที่ไกลตัวมุสลิมเาต้องเมตตาใครบ้าง ยังไม่ต้องไปดูไก่ไกพี่น้องอย่าไปคิดว่าเราจะมีอีหมานสมบูรณ์ถ้าเราไปสนใจคนข้างนอกบ้านเรายังพี่น้องอีหมานเราจะไม่มีทางสมบูรณ์หากเราไม่สามารถเมตตาคนในบ้านของเราได้เราไม่สามารถเป็นคนดีได้ไม่มีทางเป็นคนดีได้ท่านบิบิมัมสรฮานเดสระบบเลยครับคอยดุกุมคอยรุกุมหรออะนคนที่ดีสุดในหมู่ของพวกท่านคือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเขา เพราะนั้นความเมตตาของเราเนี่ยพี่น้องถ้าเราจะคิดว่าเราควรจะเมตตาใครอันดับแรกคนในครอบครัวเริ่มจากใครพ่อแม่โดยเฉพาะตอนที่ท่านแก่ชาราพี่น้องครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจในอักขรานที่พระบ๊อบอกไลยครับเวลาตะกุลละหูมาอุฟฟินเวลาพ่อแม่แก่ชาราอยู่กับเราเนี่ยแม้แต่คําอุทานอยาไปอุทานทําลายน้ําใจท่านแปลว่าอะไรครับเราต้องเมตตาท่านคือตอนเราเด็กๆเราต้องพึ่งพ่อแม่ใช่ไหม เราอาจจะบอกว่ารักพ่อแม่จังเลยรักพ่อจังเลยรักแม่จังเลยแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องมาพึ่งพาเราบ้างเมื่อถึงเวลาตอนนั้นแหละครับพวกเราบอกว่าไงครับผู้ศรัทธาคือผู้ที่ต้องรู้ขุนคนแล้วก็ต้องมีความเมตตาแม้แต่กระทั่งคําพูดที่ทำร้ายจิตใจท่านพวกเราก็ต้องระวังและนั่นแหละคือกุญแจเข้าสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นไม่มีความเมตตาสอบตกตั้งแต่แรกเลยพี่น้องเพราะนั้นเมตตาใครเป็นบุคคลแรกพ่อแม่ครับผม แม่ก่อนแล้วก็พอ่อแล้วก็เช่นเดียวกันครับเมื่อพูดถึงต้องเมตตาให้กับแม่เมตตาให้กับลูกก็ต้องเมตตาให้กับเขอมา ค, ครับเมตตาให้กับพ่อแม่ใช่ไหมก็ต้องเมตตาให้กับลูกเยอะๆด้วยคนเป็นพ่อบางคนลูกแทบไม่เคยได้รับความรักความเมตตาเลยเหมือนกับที่ว่ามีคนคนหนึงมาหาท่านนบีมอมัซฮ์ละลังฮะไลบัสซัลลัมท่านนบีปุ้มหลานมาเอามา โอบกอดเอามาหอมเขาบอกว่าไงครับคุณหอมลูกเดียวเลยเนี่ยฉันมีลูกสิบคนฉันไม่เคยหอมใครเลยท่านอบีมัสรลสามตอบว่าไงครับใครไม่รู้จักเมตตาเขาจะไม่ได้รับความเมตตาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ในปัจจุบันตามปกติพ่อแม่จะรักลูกแต่ก็มีพ่อแม่ที่ไม่สมควรจะถูกเรียกว่าพ่อแม่แต่ว่ามีไหมก็มีเรามาดูดูอาพี่น้อง ดัวในยักกุรานพวกเราบอกไงครับถึงเวลาเราขอดัวให้กับพ่อแม่รับบิ๊กฟิสตีวาลีได้ย่ะอันนี้ที่ในดัวในสุรนบีนวะแล้วก็ไงครับรับบีร์ฮัมฮูมากามารับปัญญานิสอฮีรอโอ้โหเหรอนายของฉันโปรดเมตตาท่านทั้งสองเหมือนกับที่ท่านทั้งสองเมตตาฉันในวัยเยาว์แปลว่ากุญแจสําคัญที่ทําให้พ่อแม่อยู่ในสถานะสูงส่งของอิสลาม นั่นคือพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงลูกจริงๆด้วยเพราะนั้นคำว่าเมตตากลับมาสถานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เมตตาก็ไม่ใช่รักแบบตาบอดไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทําร้ายพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกมาให้ไม่เป็นรู้เป็นภายในดุงยาเก่งหมดแต่ว่าในสิ่งที่เขาต้องรู้เขาไม่รู้เลยอันนั้นก็ไม่ใช่แต่ประเด็นก็คือว่าเมตตาคนในครอบครัวก่อน ก่อนที่จะไปเมตตาใครพ่อแม่นะลูกนะหลานนะแล้วก็คู่ครองยิ่งคู่ครองเป็นคนที่เราต้องมีความเมตตา ม, มากที่สุดถ้าเราอดทนกับคนนอกบ้านได้1ิบหน่วยสมมติเราอดทนกับคนนอกบ้านได้1ิบหน่วยเขาคนนอกบ้านด่าเราเราอดทนได้กับคนในบ้านเราต้องอดทนได้มากกนน ว, ว่านั้นเป็นสิบหน่วยเป็นร้อยหน่วยเพราะในยักกวานพวกเราบอกให้เราให้อภัยผู้คน แต่เมื่อพูดถึงคู่ครองท่านบับดมลลสวลลลสระบอยครับจงให้อภัยภรรยาวันละไม่ต่ำกว่าเจสิบครั้งแปลว่ากับคนใกล้ตัวยิ่งต้องเมตตามากเป็นพิเศษแล้วผลบุญอยู่ในบ้านแหละพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปไกลๆเป็นร้อยกิโลเป็นพันกิโลเป็น1ม0่นกิโลจะให้อัลลอฮ์รักขอแค่พี่น้องเมตตาคนในบ้านพี่น้องเอาให้ได้เอาแค่นี้แหละพี่น้องความเมตตามาสารจากอัลลอฮ์ มาหาเราอย่างแน่นอนเพราะฉนั้นส่านถามต้องมีตาใครคนในบ้านหลังจากนั้นบรรดาผู้หญิงทั้งหลายท่านอะบิอุสเรซามเตือนครับอิสตซูบินิไซคอยรอฉันขอเตือนพวกท่านนะให้ทําดีกับบรรดาผู้หญิงต่อให้เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่เขยญาติไม่ใช่ว่าไปจีบเขาเล่นๆแล้วก็มาฟันแล้วทิ้งถึงเวลาหลงก็แบบไปหาไม่ได้ขาดพอถึงเวลาเบือ่อปุ๊บก็ทิ้งก็ขว้าง มีหลายเคสเยอะแยะมากๆในกรณีที่ผู้ชายมุสลิมทําำลายผู้หญิงบางทีก็ไปเอาผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมมาก็ไปหลอกเขามาไปหลอกลักมเมาออกเขามาเข้ารีดเอาเขามาเป็นมุสลิมถึงเวลาตัวเองเบื่อปุ๊บก็ทิ้งเขาถึงเวลาเขาก็มาปรึกษาเนี่ยอาจารย์ฉันฉันควรทําเงไงต่อดีจะโดนสามีมุสลิมที่เป็นอย่างเงี้ยทําฉันควรทิ้งอิสลามไหมหรือว่าฉันควรจะทําอะไรยังไงหลายเคสครับที่มาปรึกษา นี่คือการไม่ให้เกียรติกับผู้หญิงนี่คือการไม่เกียรติกับผู้หญิงการให้เกียรติผู้หญิงการเมตตาผู้หญิงมากมายครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดนะครับในโลกนี้บุคคลที่เราต้องเมตตามากที่สุดอย่างที่บอกเลี้ยงตามลาดับพ่อแม่แล้วก็ลูกกับคู่ครองลูกกับคู่ครองนี่ระดับพอๆกันหลังจากนั้นก็บรรดาคนอ่อนแอคนที่เราทดสอบเขาคนยากจนคนขัดสน เด็กกำพ้าอย่างในโซโลอัลบาลัที่เราพูดคุยกันอย่างในโซตินบาลัดครับเราต้องรักโดยเพราะเด็กกำพ้าครับเพราะว่าบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในโลกก็เป็นเด็กกำพร้าท่านนบีมุสลอมซามก็เป็นเด็กกำพ้าถัดมาหนึ่งในนั้นก็คือท่านบอบดุซาจะว่าไปก็คือก็ไม่มีบิดาเพราะนั้นเมตตาคนที่ไร้โอกาส แล้วนั่นแหละจะเป็นกุญแจที่ทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากโพล้อซาาุบฮานะหุวะจ่ า, าละอย่าลืมนะพี่น้องคนเดือดร้อนคนขัดสนเนี่ยโพร้อเป็นผู้ทำให้เขาขัดสนเพราะนั้นเมื่อโพล้อทำให้เรารวยได้พโพล้อก็ทำให้เราจนได้ เมื่อพวกเราทําให้เรามีสุขภาพที่ดีพวกเราก็ทําให้เราไม่มีสุขภาพได้เมื่อพวกเราทดสอบใครพวกเราก็สามารถจะมอบให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัวแต่ทรมนงว่าเราเหนือกว่าใครเราดีกว่าใครเรารวยกว่าใครเราหล่อเราสวยกว่าใครแล้วมีโอกาสทางชีวิตมากกว่าใครพี่น้องถึงเวลาเถ้าเลาจะเอามันก็ไปแป๊บเดียวมันก็จบแค่นั้น <S <S 1> <S 1> พี่น้องที่รักครับในเรื่องของความรักเนี่ยในเรื่องของความเมตตาเนี่ย ถ้าเราดูในประวของท่านอับดุลเบียร์มุสลมัลลอฮองอัลลอฮสัลลัมครับเยอะเลยเยอะแยะมากแล้วเวลาใครมีปัญหามาท่านอบีก็จะพยายามช่วยให้เขาแก้ปัญหาแบบแก้ปัญหาได้จริงๆ จ, จากท่านอัสบินมาลิกครับครั้งหนึ่งเลยมีชาวอันซอร์มาท่านอับดุลเบียร์มสลมัลลอฮ์ของอัลลอฮสัลลัมเปลียร้อนมามาหานบีรแล้วบอกว่ า, วายาละซูลลอฮ์เนี่ยผมเป็นคนยากไรผมเป็นคนขัดสนเนี่ยท่านบีช่วยผมหน่อย ทจ้าบีช่วยผมหน่อยคือเขาอยากจะพ้นจากสภาพความยากจนนะพี่น้องง่ายๆเจ้านาบีมุสลิมของอะเลสลัมก็ช่วยเขาคิดแล้วก็บอกว่าที่บ้านคุณมีอะไรบ้างเนอะซาบะคนนั้นก็บอกว่าผมมีทรัพย์สินในบ้านทรัพย์สินในบ้านเลยนะพี่น้องมีแค่สองอย่างทรัพย์สินในบ้านมีแค่สองอย่างผมมีผ้าปูหลังอูดแล้วก็มีหม้อมีหม้อใบหนึ่งกับผ้าปูหลังอูด นี่คือทรัพย์สินที่เขามีมีแค่นี้จริงๆเลยสมัยปัจจุบันเวลาที่ใครจะบอกว่าโจร น, นี่คือไปดูบ้างเขามีของมันต้องมีอะไรอยู่อ่ะครับแต่นี่คือมีแค่สองอย่างผ้าปูหลังอูดเวลาที่จะนั่งอะพี่น้องจะได้นั่งสบายเนะี่ยจับหมอท่านอับดุลเบี๋ยมสุลลามบอกว่าไงครับโอเคงั้นคุณไปเอาผ้าปูมาไปเอาผ้าปูมาเมื่อเอาผ้าปูมาครับท่านอับดุลเบี๋ยมสุลลามก็ถามว่าใครจะซื้อบ้างอ่ะใครจะซื้อ ในสายแรงงานนะครับบางสายแรงงาก็บอกท่านอบเียให้เขามาทั้งคู่เลยทั้งผ้าแล้วก็ทั้งหม้อ ก, ก็วอลล์าอาร์ลำนะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อท่านอบเบียร์ให้เขามาปุ๊บท่านอบีก็ประกาศในที่ที่ท่านอบีอยู่บอกว่าใครจะซื้อของทั้งสองชิ้นนี้บ้างก็มีสวบคนนึ่งบอกว่าผมขอซื้อหนึ่งเหรียญเงินมันเป็นของมือสองนะก็สองอขอซื้อหนึ่งเหรียญเงิน อันนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นธุรกิจก็ธุรกิจนะครับคือซอฟตบ๊อบมีเมีโอนี่เป็นนบีแนละฉันต้องบริจาคอย่างเดียวไม่มีการทําธุรกิจไม่มีการค้าขายคนดีแค่ไหนก็ทําการค้าขายด้วยได้ครับผมมีบรารการ์ด้วยเพราะนั้นก็ต้องแยกแค่ออกนะจะช่วยก็ช่วยจะทําธุรกิจก็ทําธุรกิจนี่ท่นบีก็เป็นการทําธุรกิจไงท่านนาบีถือว่าเป็นตัวแทนให้กับซอฟตบ๊อบที่ยากจนกว่านี้แล้วเขาบอกมีแค่สองชิ้นใช่ไหมมีผ้าปูหลังใช่ไหมแล้วก็มีหม้อใช่ไหมเอาเอ า, เอาทั้งคู่มาเอาทั้งคูู่่มมาปุบบนีก็ชวยระล อันนี้เป็นการขายแบบประมูลการขายแบบประมูลหาล้านนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องการค้าขายแบบตัดหน้านะการค้าขายตัดหน้านั้นห่รอมบนละปะเด็นท่านอบีเอา้าวใครจะซื้อมันก็มีคนนึ่งบอกหนึ่งเหรียญท่านอบีบอกว่าใครจะให้มากกว่านี้ใครให้มากกว่านี้ท่านอบีพูดสองาครั้งก็มีซาบไกคนหนึ่งบอกว่าเอองั้นผมให้สองเหรียญเงินท่านอบีก็ขายให้กับคนคนนั้นอ่ะพี่น้องมอกว่าปัญหาจบหรือยังครับ ปัญหาไม่จบได้เงินมาสองเหรียญเงินแล้วจะทำไงไงต่อท่านอับดุลลาห์สุลต่านครับบอกกับชายคนนั้นบอกว่าสองเหรียญเงินเนี่ยนะเหรียญหนึ่งคุณเอาไปซื้อขวานเอาไปซื้อหัวขวานคือมันซื้อซื้อขวานทั้งเล่มไม่ได้เราแค่หนึ่งเหรียญเงินเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ให้ได้ขวานมาก่อนเอาขวานมาอีกหนึ่งเหรียญคุณเอาไปซื้ออาหารให้ครอบครัวคุณกินสุบานัลลอฮ์ท่านอบีจัดสรรปันส่วนให้เรียบร้อยเลย พยายามต่อราคาให้ได้ดีที่สุดพอได้ปุ๊บเขแบ่งให้ส่วนหนึ่งนะไปซื้อขวานมานะอีกส่วนหนึ่งซื้ออาหารสซาบท่านนั้นเขไปจัดการมาครับพอซื้อขวานมาละได้หัวขวานมาละก็มาท่านอบีท่านอบีุลลมัสยาสลั ม, ลมก็ไปหาไม้มาเหลาให้แล้วก็ทําเป็นด้านด้ามขวานช่วยขนาดนี้ครับเวลาช่วยก็ช่วยให้จริงๆช่วยแบบให้เขาได้จริงๆใส่ด้ามขวานเสร็จเรียบร้อยท่านอบีุลลห์มัสยาสลัมบอกว่าไงครับ คุณเข้าไปในโซนนี้ไปตัดฟืนมาอย่าให้เราเห็นหน้าจนกว่าจะผ่านไปสิบห้าวันคือท่านบีพูดไม่ได้หมายความว่าห้ามเจอกันเลยแต่พี่น้องเข้าใจนะเป็นสำนวนก็หมายความว่าให้ทําให้เต็มที่หลังจากนั้นครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับภายหลังจากนั้นครับผ่านไปนี่แหละสิบห้าวันผ่านไปสิบห้าวันพอมาเจออีกทีหนึ่งครับพอมาเจออีกทีหนึง่ง ชายคนนี้ก็เข้ามาท่านนับีุมสรออของัลเละห์ววละสลลมัมแล้วก็พบว่าตอนเนี้ยเขามีทั้งเสื้อผ้าสวมใส่แบบปกติที่แบบว่าผู้คนธรมรมดาแล้วก็เริ่มมีเงินบ้างสุบานอัลลอฮ์ท่านอนับดลมสรอสลลมัมพูดต่อนี่คือความเมตตาของนบีครับเขาให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจร อ, อย่างแท้จริงแล้วท่า น, นาบีถึงจะเตือนสติ บางคนอาจจะด่าก่อนมาขออะไรจนะขออยู่นั่นแหละนี่ท่านนบีช่วยอย่างเต็มที่เสร็จแล้วท่านนบีก็เตือนสติบอกว่าไงครับใครก็ตามเนี่ยนะที่ว่าไปขอคนอื่นเนี่ยชอบขอคนอื่นเนี่ยคือไม่ได้พยายามด้วยกับตัวเองก่อนชอบไปขอคนอื่นเนี่ยในวันเกียร์มาพวกล้อจะให้มีใบหน้าใบหน้าของเขาเนี่ยมีความอั ป, ปลักษณ์อยู่ในใบหน้านั้นจะมีจุดที่ว่ามันเป็นความอั ป, ปลักษณ์ ซึ่งท่านอีบอกว่าการไปขอผู้คนเนี่ยมันไม่สมควรจะข อ, อนอกจากใน3ากรณีนอกจากใน3มกรณีคือกรณีแรกก็คือคนยากจนที่ยากจนจริงๆที่มันต้องขอจริงๆหรือว่าคนที่มีหนี้สินแบบล้นตัวแบบว่าไปไม่รอดจริงๆขอความช่วยเหลือได้หรือว่าคนที่ว่าต้องจ่ายด้ำครับคือไปทําร้ายคนอื่นไปฆ่าคนอื่นแล้วไม่มีตังจริงๆต้องไปเรียรายตางังท่านอวี๋ว่ามีแค่3ากรณีนี้ที่ว่าควรจะขอผู้คนนักหนือจากนั้นคุณไม่ควรจะขอคน ให้พยายามให้เต็มที่ในส่วนของคุณพี่น้องครับฟังมาถึงตรงเนี้พี่น้องรู้สึกถึงความเมตตาที่สมบูรณ์ไหมครับพี่น้องความเมตตาของท่านในวัดสระวรสาที่มีกับประชาชนของท่านที่สมบูรณ์ก็คือช่วยก็ช่วยอย่างเต็มที่ช่วยในทุกมิติในเรื่องของอาหารในเรื่องของงานแล้วก็ให้สตินี่คือความเมตตาอย่างแท้จริงเพราะถ้าเกิดแค่ให้เงินปุ๊บ บางทีถึงเวลามันก็ต้องมาขอต่อถูกไหมครับถึงเวลามันก็ไม่ได้แก้ที่ปัญหาเพราะนั้นในเรื่องของความรักความเมตตานะครับพี่น้องมุสลิมเนี่ยจำเป็นนะมุสลิมจำเป็นนะครับที่ว่าเรานั้นต้องเรียนรู้ที่จะเมตตาผู้คนอะอมานะครับอะผมไม่ได้ทักกับพี่น้องคุณอสมาทาโซบอกสลังกุมพรอาจารย์ ตอนเช้าหลังซุปไม่ได้ไลฟ์ห็เลยไลฟ์ครับไลฟ์ครับอินชาลอครับเอ่อพวกนี้เริ่มแล้วอินชาลอนะครับหลังเอ่อฟอร์จรีเฉพาะอ่อโอเคนั้นประชาสัมพันธ์นะครับก็ตั้งแต่นี้ชาวล้อนะครับก็น่าจะกลับมาในเรื่องของตอนซูโบวันพุพธพฤหัสศุกร์นะครับผมสามวันแต่ว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยกรณีพิเศษเสาร์อาทิตย์นี้กรณีพิเศษที่วันชาวล้อก็จะมีไลฟ์ตอนเช้าหลังซูโบด้วยนะครับผมกลับมาเวลาเดิมครับสำหรับท่านที่สนใจครับก็ ไม่ต้องหวเรายังกลับมาพูดคุยกันอยู่ก็จะซากูมุลลาหุอคอยรังครับผมครับพี่น้องครับก็วันนี้เราเน่ยจะคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับในทนี่ตรงอยรายัก์ก่อนหลังที่ว่าบอกว่าวตะ ว, าสาวัส า, า, สาบิซตะสบิลมาหามาผู้ศรัทธานั้นต้องมีการเตือนกันและกันให้มีความอดทนและต้อมีการเตือนกันและกันนั้นให้มีความเมตตาระหว่างกันเราพยายามเมตตาคนอื่นเพราะเรานั้นก็อยากได้รับความเมตตาจากไหนของเราครับผมเพราะฉะนั้นใครทําไม่ทําไม่รู้พี่น้องบางทีเราไม่ต้องไปแคร์คนอื่นเยอะ บางทีลราคิดว่าคนนั้นยังไม่ทําคนนี้นยังไม่ทําไม่ต้องไปแคร์คนอื่นแคร์ตัวเองมากๆหน่อยเราอยากแครอัลลอฮ์เมตตาใช่ไหมเราอยากมีความเป็นอยู่ที่อลัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาใช่ไหมเมตตาผู้คนให้อาาภัยผู้คนให้ความช่วยเหลือผู้คนให้ความรู้กับผู้คนเวลาจะสอนก็สอนแบบสอนจริงๆไม่ใช่เน็บแนมไม่ใช่สอนให้เจ็บไม่ใช่สอนให้อายสอนก็สอนแบบลูกที่เวลาได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ ที่รักเขาจริงๆนี่คือคำสอนอิสลามครับในเรื่องความรักความเมตตาเป็นหัวใจของมุสลิมขอให้เรานั้นมีความเมตตาในหัวใจของเราขอให้เรานั้นมีความเมตตาให้แก่ผู้คนขอให้เรานั้นมีความเมตตา มากพอแล้วก็ถูกต้องที่จะทำให้นายของเรานั้นเมตตาเราด้วยครับผมอัลกุลกาลีฮะะวกุลอฮะลวลุมวลิลิมุสลิมีนมินุลิักรูอินุวลฟูอรฮมุบฮนัลลอฮมาฮัมดิกะอัลัลลาอิลาตะอลัวะูบลลมอัลัยุมวะรมุลลอฮวะบารกทุคับม